อเวพังคิยะวัตถุว่าด้วยของที่ไม่พึงแบ่งเรื่องพระอัศชิและพระปุณพัสสุกะ ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะกรุงสาวัตถีตามพระอัธยาใยสายแล้วได้เสด็จจาริกไปกีดาคีรีชนบทพร้อมกับภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณห0 0รรูปรวมทั้งพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะพระอัศชิและพระปุณพัสสุกะทราบข่าวแล้วปรึกษากันว่าพระผู้มีพระภาค กำลังเสด็จมากีดาคิรีชนบทพร้อมกับภิกษุสอ์หมู่ใหญ่ประมาณห้ารูปรวมทั้งพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะพวกเราจะแบ่งเสนาสะนะของสงฆ์ทั้งหมดพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะมีความปรารถนาชั่วตกอยู่ในอำนาจความปรารถนาชั่วพวกเราจะไม่จัดเสนาสะนะให้ท่านทั้งสองนั้น พระอัศชิและพระปุณพสุกะนั้นจึงแบ่งเสนาสนะของสงฆ์ทั้งหมดต่อมาพระผู้มีพระภาคสเสด็จจาริกไปโดยลำดับจนถึงกีดาคิรีชนบทแล้วครั้นแล้วได้รับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงไปหาภิกษุอัศชิ และภิกษุปุณณภัสกะแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าพระผู้มีพระภาคเสด็จมาพร้อมกับภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณห้าร้อรูปรวมทั้งพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะขอให้ท่านทั้งหลายจงจัดเสนาสนะถวายพระผู้มีพระภาคภิกษุสงฆ์รวมทั้งพระสารีบุตร และพระโมคคลานะพิกษุเหล่านั้นรับสนองพระพุทธดำรัสแล้วเข้าไปหาพระอัศชิและพระอุณพัสสุกะจนถึงที่อยู่ครั้นถึงแล้วได้กล่าวกับพระอัศชิและพระอุณพัสสุกะดังนี้ว่าพระผู้มีพระภาคเสด็จมาพร้อมกับพิกษุส่งหมู่ใหญ่ประมาณห0 0ร้อรูป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 พวกเราแบ่งกันหมดแล้วพระผู้มีพระภาคเสด็จมาดีแล้วโปรดประทับในวิหารที่ทรงพระประสงค์เถิดพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะผู้มีความปรารถนาชั่วตกอยู่ในอำนาจความปรารถนาชั่วพวกเราไม่จัดเสนาสนะให้ท่านทั้งสองนั้นภิกษุทั้งหลายถามว่า พวกท่านแบ่งเสนาสนะของสงหรือพระอัศชชิและพระปุณพทสุกะตอบว่าใช่แล้วท่านทั้งหลายบรรดาภิกษุผู้มักน้อยสันโดษต่างตาหนิประนามโพนทนาว่าชไหนพระอัศชชิและพระปุณพัสุกะจึงแบ่งเสนาสนะของสงเล่า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 ให้เลื่อมใสหรือทำคนที่เลื่อมใสยอยู่แล้วให้เลื่อมใส ย, ยิ่งขึ้นได้เลยครั้นทรงตำหนิแล้วทรงแสดงธรรมีกถารับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายของที่ไม่ควรแบ่งห้าหมวดสงคณะหรือบุคคลไม่พึงแบ่งแม้แบ่งแล้ว ก็ไม่เป็นอันแบ่งรูปใดแบ่งต้องอาบัตถุนลัดใจของที่ไม่ควรแบ่งห้าหมวดคือ 1. อารามพื้นที่อารามนี้เป็นของที่ไม่ควรแบ่งอันดับที่หนึ่งสคณะหรือบุคคลไม่พึงแบ่งแม้แบ่งแล้วก็ไม่เป็นอันแบ่ง รูปใดแบ่งต้องอาบัตทุลัจใจสอ 2. วิหารพื้นวิหารนี้เป็นของที่ไม่ควรแบ่งอันดับที่สองสองคณะหรือบุคคลไม่พึงแบ่งแม้แบ่งแล้วก็ไม่เป็นอันแบ่งรูปใดแบ่งต้องอาบัตถุลัดใจ 3.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 กระถางโลหะกระทะโลหะมีดขวานพึงจอบสว่านนี้เป็นของที่ไม่ควรแบ่งอันดับที่สี่สงคณะหรือบุคคลไม่พึงแบ่งแม้แบ่งแล้วก็ไม่เป็นอันแบ่งรูปใดแบ่งต้องอาบัตถุนรัดใจ 5. เถาวัลไม้ไผ่หญ้าปล้องหญ้ามุงกระต่ายหญ้าสามันดินเครื่องไม้และเครื่องดินนี้เป็นของที่ไม่ควรแบ่งอันดับที่ห้าสงคณะหรือบุคคลไม่พึงแบ่งแม้แบ่งแล้วก็ไม่เป็นอันแบ่งรูปใดแบ่ง